ตอนวิทยาลัยอาชีวะศึกษาศูนย์พลรานคอยวันที่29เมษายน2562นักบวชนี่ไม่ได้ง่ายนะต้องมีขันติมีความอัตธาสัทธาเนี่ยนะต้องอดทนเป็นอะไรก็ช่างเราก็ต้องอดทนลูกเนี่ยแหละเตรียมคนเนี่ยอย่างอุดรวิทยาลายัยทุ่อุดร น, นะเพราะกูนั่งดูคลิปหลายคลิปเขาก็พูดถึงอยู่วิทชียรนี้เซนท่านแย่ง จบเท่าไหร่เอาหมดเขาบอกปีหนึ่งเขาผลิตปวชได้4ี่สิบคนเขาก็แบ่งให้เซนท่านยี่สบคนทำไมอันนี้เขาเน้นส่งเด็กไปทำงานที่เมืองจีนเหมือนตอนนี้ครูคีปวชเราส่งเด็กไปทำงานที่อุบลมันได้ทักษะภาษาจีนด้วยอะไรด้วยเซนท่านบอกมีเท่าไหร่เอาหมดอันนั้นเขาเรื่องทักษะเรื่องความสามารถแต่พวะครูบอกว่าความสามารถ ยังเป็นเรื่องลองเรื่องหลักคือเด็กต้องมีคุณธรรมต้องเป็นรับผิดชอบเกมนี้ชนะอย่างอีเทคนียเขาเซ็นสัญญากับกระทรวงแรงงานกับอีกหลายๆบริษัทใหญ่ ใ, หญใช่ไหม เ, เขาวิ่งมาหาพรอกูก่อนในใ น, ในอีสานนี่นะเพราะอะไร ถ้าโรงเรียนเร า, ย, า, เายังเอ้อเลยแบบนี้ พ, พ่อครูบอกขีแล้วเราต้องปิดช้าหรือเร็วเพราะเด็กมันน้อยลงเราต้องการให้คุณครูมีงานทําบรรจุเต็มเลยโรงเรียนเอกชนศึกษาตรงข้อขใกล้ๆเราเนี่ยนะพอปิดเทอมก็ไล่ครูออกไม่ต้องจ่ายเงินเดือนสอ ง, สองเดือนไงพอเปิดเทอมก็เอาคนมาใหม่นะแล้วครูคนหนึ่งบางทีสอนสองสาห้องนั้นเขาเน้นกําไรของเราไม่ใช่เราต้องการมาช่วยกันให้เด็กเราเนี่ย ได้ประโยชน์สูงสุดที่ผ่านมาที่แบกรับภาระตั้งแต่อนุบาลเราได้ข่าหัวของกระทรวงบ้างแต่ไปรอข่าหัวแล้วนี่เด็กเราก็ด้อยโอกาสกลายเป็นผู้พลาดโอกาสอย่างมูลที่พยายามสนับสนุนนะโดยเฉพาะเรื่องก่อสร้างน้นก่อสรารนี้ให้มันพร้อมเรื่องเครื่องมือต่างๆเราพยายามให้เด็กได้ได้โอกาสเราก็ดูแลได้แค่นี้พวกครูก็พยายามลองบืนดูสิส่งเด็กเราบางคนไปเรียนหมายเมื่อไหนะ เออคนที่เอาตัวรอดเพราะว่าอะไรอย่างมวยพลอยตอบเลยว่าเขาเป็นช้างเผือกเพราะอะไรเพราะเขามีคุณธรรมเขามีความรับผิดชอบนะเขาไม่เก่งวิชาการนะเขาไม่เก่งวิชาการสุดท้ายเขาก็พัฒนาตัวเองจนวิชาการเขาได้เกียรตินิยมเห็นไมขอให้มีคุณธรรมขอให้มีขยันประหยัดซื่อสัตย์กระตันอยู่แล้วก็มวยพลอยเขากระตันอยู่ เขากลัวเขาขี้เกียจปุ๊บนี่พราะครูจะเสียใจไงเขาขี้เกียจไม่ได้เขาเสมอต้นเสมอปลายนะแล้วอีกปีกว่าสองปีเขาจบมาแล้วอันนี้เราต้องเตรียมให้เด็กเราเนี่ยเป็นมนุษย์ผู้เสรฐ เ, เป็นคนซื่อสัตย์ไปทำงานที่องค์กรไหนเขาก็ชอบเขาปั้นเราเองมึงเก่งวิชาการจะไปโกงเขาไปทะเลาะกันไปเอาเปรียบเพื่อนฝูงเนี่ยเก่งแค่ไหนเขาก็ไม่เอานะถึงเก่งภาษาจีนเก่งภาษาอังกฤษ อันนั้นเป็นผลพลอยได้แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ขารับเด็กปวชวเนี่ยเขาไม่เน้นเครื่องเก่งวิชาการขอให้เป็นเด็กที่ขยันซื่อสัตย์ประหยัดมีกระตันอยู่กับองค์กรนั่นแหละเขาจะปั้นเราเรามีสามาร ถ, ถถึงระดับเป็นผู้บริหารได้เพราะว่าเราเป็นคนดีอันนี้สำคัญที่สุดนะขอให้คุณครูทุกคนเนี่ยช่วยกันช่วยไกด์เด็กอย่าให้เด็กหลงทาง ไอ้ระบบมหาวิเลยนี่หยุดเถอะไปไม่ได้มหาเลยทุกแห่งเนี่ยก็ต้องมาทําแบบนี้ทําเรียนออนไลน์นะเด็กไปเรียนรู้ชีวิตจริงมหาเลยชีวิตคือเข้าไปทํางานจริงๆอยู่ในสังคมจริงๆอย่าง น, น้อยๆพวกเราอดทนหน่อยลูกปวชแล้วเนี่ยไปทํางานอีกสองปีเพื่อจบปวสเขาไม่มีความผูกมัดจบปวสแล้วเราคิดว่าเฮ้ยเราจะมาเป็นเท่าแก่น้อย เราจะมาสร้างธุรกิจเราเองเนี่ยเขาไม่มีอะไรผูกพันเราแต่เรียนปริญญาตีอีกสองปีเขาต้องลงทุนเยอะหน่อยหนึ่งอันนั้นจบแล้วปุ๊บต้องทำงานในเขาอีกหนึ่งปีอย่างน้อยน้อยแต่ถ้าเรายินดีกับงานนะั้นมันก้าวหน้าเราก็อยู่เขาต่อไปเราสามารถก้าวหน้าได้นะเพราะครูก็ต้องหาอยู่เนี่ยบังเอิญพออเทคเขาเคารพพ่อครูนะเขาวิ่งมาเลยอย่างน้อยว่าเด็กที่นี่ต้องมีคุณธรรม เด็กอีเทคเก่งได้รางวัลเยอะแยะเลยระดับโอลิมปิกระดับอะไรเนี่ยนะแต่คุณธรรมมันยังอ่อนไงบริษัทห้างร้านเขาต้องการคนที่มีคุณธรรมก่อนคือมีความรับผิดชอบมีความขยนันอันนี้แหละวิชาที่สําคัญที่สุดเพราะครูถึงเน้นพวกเราฝึกพวกเราบางทีก็งอแงบ้างบางทีก็เหนื่อยบ้างอะไรนี่นะเทอมนี้เราต้องอยู่อย่างสนุกหลุกมาคุยกันนะมาคุยกันว่าแค่ไหนมันพอดีนะไม่ชี้ดีมเนี่ย ฝึกปฐมเนี่หลายคนเกิดนี่ปฐมมาจากนั้ น, นตีสีขึ้นมาตื่นแล้วนะตีสี่กว่ า, วาครูมาปุ๊บเนี่ยเาก็ที่นี่ไม่ใช่ทำงานเปิดสว่างนะเขาเอาไฟเนี่ยเข้าไปเก็บดอกไม้เก็บอะไรมามาให้พิพุกมาทำสมุนไพรเขามากว่าถนนตั้งแต่เช้าเอาไฟส่องกว่าถนนนี่แหละฝึกให้เรามีความขยันนะฝึกให้เรามีความอดทน บุคลากรแบบนี้แหละองค์กรไหนก็ต้องการแต่พอรึ่งมัธยมปุ๊บเนี่ยเราเริ่มมีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเริ่มมีหนังญี่ปุ่นเริ่มมีหนังเกาหลีเออเริ่มมีเนอร์มีนีน่นี่เรารู้มากแล้วทีนี้เริ่มใจออกแล้วเออเริ่มมีอารมณ์แล้วชอบไม่ชอบละอันนี้เป็นหน้าที่แม่ดีมแม่ดีมตามขึ้นมาอย่า ก, กลัวแม่ดีมอ่อนลงแม่ดีมก็รู้ว่าต้องอยู่กันแบบความรักนะ ไม่ดีมตอนที่ผ่านมาฝึกแบบทหารไงเด็กปถมเขาเอาด้วยแต่เด็กมจัจยมเขาเริ่มมีอารมณ์แล้วฮอร์โมนเพศเริ่มเปลี่ยนเริ่มรู้มากแล้วนะม่ีมก็ต้องปรับตัวลูกอย่ากลัวแล้วอยู่กันแบบมีความสุขลุกป ร, ประครองให้ทุกคนจบถึงปวชเป็นบุคคลที่มีคุณภาพพ่อครูก็สามารถให้วิยาลัยดลรับรองความประพฤติเรา แต่พรูบริษัทนี่ไม่ใช่รับรับรับหมดนะรับหมดอ่ะประกาศสมัครพกูจะเลือกนะวิทยาลัยที่พกูมั่นใจมีผู้ใหญ่รับรองเห็นไหมล่ะรับรองคุณภาพรับรองความเปรพืชนะอันนี้เป็นเป็นโอกาสดีลูกพกูชอบมากทวิ ศ, ศึกษาที่แรกพกูเปิดปวชว่าจะมาทําสหากิจ ศ, ศึกษา กฎหมายมันออกแล้วพอเดินเรื่องถึงข้าราชการมันขี้เกียจทำมันบอกอย่าไปยุ่งปวชอบอกอย่าไปยุ่งสายสามัญสายสามัญบอกอย่าไปยุ่งปวชมันคนละประเทศนะคนหนึ่งลาวคนหนึ่งเขมรครู ค, คีเขาก็เบื่อเออไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดที่แรกพวกคูมีกฎหมายตรงนี้พวกคูคิดว่ารุ่นแรกเห็นไหมเราไปทําสหกิจศึกษากับปวชที่อุบลจนป่านนี้สองปีแล้วเนี่ ปปชบนยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนสักบาทหนึ่งของเราก็ไม่ได้สักบาทหนึ่ง น, ะนี่คือบ้านเมืองเนี่ยที่แรกคิดว่าเออเมื่อเราได้เงินอุดหนุนสองด้านเนี่ยเด็กได้เต็มเต็มเลยเห็นไหมเครื่องมือเครื่องใช้อะไรอเราก็ทุ่มเทกับเด็กอันนี้พอไปถึงภาคกฎหมายออกแล้วแต่ถึงปฏิบัติเนี่ยมันขี้เกียจทํางานก็ไม่เป็นไรเราก็แบกรับอีกต่อไปนะปพชตอนนี้เรามีเด็กกี่คนนะ แค่เงินเดือนพ อ, อ, อคนเดียวก็ไม่พอจ่ายเงินที่เขาให้มาเนี่ยนะอย่าว่าแต่ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนะแต่นี่เราไม่ได้คิดเรื่องกําไรขาดทุนมูลิตี้ดูแลอยู่ขอให้เด็กเราเนี่ปลอดภัยและเป็นเด็กที่คิดเป็นพูดเป็นทำเป็นจริงๆเมื่อเด็กเราเนี่ยจบแล้วไปทํางานที่อื่นเขาชมเชยเนี่ยวิทยาลัยก็ได้รับความชมเชยเห็นไหมรุ่นน้องๆเขาก็มีโอกาส ต, ต่อไปอีก ตอนนี้รุ่นที่นั่งอยู่ที่นี่หลกพวกเราสำคัญมากนะประธานประธานนักเรียนเนะี่ยเนาะพี่แบมเนี่ยตอนนี้เม .6 ผู้หญิงค้างเติงอยู่คนเดียวใช่ไหมฮนะผู้ชายมีพี่เป่าพี่บินสองคนใช่เพราะครูบอกประคองให้รุ่นนี้จบมัธยมปลายไม่มีต่อไปเลี้ยวเขาปวชหมดทีนี้ปวชระบบการเรียนเขาคืออย่างี้ Learning งบ่ายดูเองเขาเรียนดูด้วยการปฏิบัติจริงเห็นไหมพอเขาทำปุ๊บเอ๊ะทำไมคนนี้เขาทําได้สูตเดียวกันเราทําไม่ได้มันก็ต้องใช้ความคิดมันก็ต้องใช้ความมาย่างแก้ปัญหาแต่มัธยมปลายแค่ไปท่องจําท่องจําท่องจําไปสอบเพื่อจะเรียนหมหาวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยมันก็จ้องที่จะเอาเงินเราขายวิชานะจบมาก็ไม่มีงานทําห้างร้านเขาไม่รับแล้วเพราะว่ารับแล้วต้องไปฝึกใหม่ตอนนี้เมื่อจะฝึกใหม่เขาก็ฝึกตั้งแต่ปวชเลยไม่ดีเลย ตอนนี้แนวโน้มเป็นอย่างนั้นนะทุกมหาวิทยาลัยถ้าไม่ปรับตัวปิดตัวหมดทุกมหาวิทยาลัยก็ต้องมาทำออนไลน์เพื่อลองรับเด็กที่ไปทำงานกับบริษัทห้างร้านไปเรียนต่อ e-tech รับได้แค่ปะวะสเห็นไหมแต่คนมาไทเนี่ยโดนเขาเปิดมี9้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอยู่นะถ้าเราจะต่อปริญญาตรีเขาไปต่อ e-tech เขาจัดการให้ เขาก็ส่งลูกหลานเขาที่เรียนปวสแล้วเนี่ยต่อปริญญาตีกับมหาวิทยาลัยเหล่านี้มาให้เราเหล่านี้ถ้าไม่ไม่ได้สอนออนไลน์แบบนี้ปิดตัวเพราะไม่มีคนไปเรียนทุกคนไปเรียนตัวไปทำงานจริงๆหาประสบการณ์จริงๆแล้วก็ได้ไต่เต้าไปด้วยนะคุณครูช่วยไกด์เด็กเราต่อไปนี้แล้วก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพิมโบช่วออกมานะวิทยาลัย อ, อาชีวศึกษาพลา่อยนะ จบทุกคนมีงานทำทุกคนนะถ้าทุกคนมีวินยัยนะก็มหาวิทยาลัยก็รับรองบริษัทห้างร้านเขาก็มั่นใจแล้วเราก็ติดตามต่อเออเราอยู่แล้วเป็นยังไงไอการเรียนเป็นยังไงอีเทคเขาจะดูแลให้เราอีเทคก็เหมือนผพวกเราเราลูกนะพวกครูไปอบรมครูที่น่นนะ เขาเอาจริงเขาหมื่นกว่าคนเขาดูแลได้อย่างไรเด็กเดินมาตอนเช้าเข้าโรงเรียนปุ๊บเนี่ยครูยืนอยู่ตรวจตรวจร่างกายผมยาวปุ๊บเดี๋ยวสายนะโตะตัดเป็นสิบโตตัดผมตัดเดียวนั้นนะถ้าแต่งตัวแต่งหน้าอะไรไม่ดีปุ๊บกลับบ้านไม่งั้นเขาเอาไม่อยู่เขาถึงมีวินัยไง นะเมื่อชื่อเสียงเขาดังแล้วพวกองค์กรบริษัทต่างๆนี่ก็ไปดีลกับเขาขอเด็กเขานะทีนี้โรงเรียนอื่นมีแต่เด็กนักเรียนลดลงลดลงโรงเรียนเราด้วยนะเปิดใหม่ๆโรงเรียนเราเข้างในนี่300รอกว่าคนนะเด็กนะตอนนี้เหลือกู200เศษนะเห็นไหมทำไมทาไมเขาเพิ่มเขาก็อ้างได้ว่าเออเด็กมันอย่างี้ทาไมไม่เขาไม่อ้างเขาก้าเปลี่ยน เขาก็คิดโครงการสมอเนี้ขึ้นมาเห็นไหมนี่คือคนฉลาดคนรับผิดชอบองค์กรพออคนนี้64ปีแล้วพวกคุถามว่าพออยังไม่เกษียณเลยไม่พวกกรรมการโรงเรียนบอกว่าอยู่จนพออขี้เกียจอยู่ทําไมเขามีฝีมืออ่าเขาพัฒนาตลอดเขารู้ว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เด็กมันไม่มีเขาจะทํำยังไงเขาก็คิดโครงการเนี่ยเขาคิดในอีเทคในสองมอสมอเนี่เกิดขึ้นจาก E- ีเทค แลวตอนนี้ลามไปทั่วประเทศนะอยู่ที่ว่าวิทยาลัยต้องดูแลคุณภาพเด็กถ้าเป็นผู้คุ้เจ้าของบริษัทจบมารับหมดเนี่ยไม่เกเรมไม่ทำงานใครจะไปรับล่ะแต่ถ้าวิทยานี้เขามั่นใจว่าเขาฝึกคนมามีความรับผิดชอบเนี่ยใครๆค็เาต้องการและทีนี้เขาจะไปสอนของเขาเองเมื่อเราเก่งแล้วเขาอยากให้เราออกไหมไม่มีทางเขาขี้เกยียตปั้นใหม่ใช่ไมนะเขาก็ส่งเราเรียนปริญญาตรีต่อ นะนอกจากเราไม่เอาจริงๆเขาไม่มีสิทธิ์ที่บังคับเราลูกสองปีเราจบปวาสเราอยากกลับมาอยู่บ้านเราเราก็กลับมาเปิดร้านเราเองก็ได้นะเพราะคูยังเน้นเด็กๆนะอย่าลังเกียจข้ า, า ร, ราชการศาสตร์อย่าลังเกียจอาหารนะทุกคนต้องกินนักวิทยาศาสตร์มันเก่งแค่ไหนมันก็ต้องกินสำคัญเราต้องเตรอาหารสามารถทาอาหารที่ว่าคนสมัยใหม่มันยอมกิน ไม่ใช่เอาอาหารสมัยโบราณอะไรแบบนี้เอาละแม้กระทั่งอาหารตามสั่งเนี่ยไม่ใช่ทําง่ายๆนะนะอาหารตาสั่งต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวเราเนี่ยนะนะเออต้องเร็วต้องอะไรนี่นะตอนนี้อาหารแบบนี้เนี่ยมันเป็นสากลไม่ได้นะอาหารทุกวันนี้เนี่ยคนมาร้อยคนพันคนปึ๊บต้องได้กินทันทีอาหารตามสั่ง สั่งอยู่ก็มองเมื่อไหร่จะมาวะเมื่อไหร่จะมาวะออโมโหหิวนะ อ, อ, อร่อยแค่ไหนก็ไม่อร่อยแล้วนะยกตัวอย่างให้ฟังแต่ถ้าเรายินดีอาหารตามสั่งไม่ผิดเราก็มาทำธุรกิจเล็กๆเราเองแต่ถ้าเราต้องการไต่เต้าธุรกิจอาหารนี่นะบิลเกตเนี่ยเศรษฐีโลกมาทำเรื่องธุรกิจอาหารซีพีเนี่ยมาทำธุรกิจอาหารนะ เพราะเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยมันแข่งขันกันมากกว่าจะออกแบบรุ่นหนึ่งค้นคว้าเกือบตายขายได้ปีเดียวปีน้าเขาก็ก็อปปี้แล้วาหารุ่นใหม่แต่อาหารนิดนุดกินทุกวันตัวเลขร้านกาแฟเนี่ยพ่อครูไม่เคยเชื่อนะหลังจากเรามาทำร้านกาแฟเรามาลองดูไปศึกษาดูเนี่ยธุรกิจกาแฟเนี่ย เป็นธุรกิจอันดับสองของโลกคือยอดขายของมันเนี่ยมากกว่าพวกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อะไรอีกนะมันรองจากปิโตรเลียมเท่านั้นเรื่องพลังงานน่าเชื่อไหมหลังจากเราเป็นไปได้ยังไงพอเราไปจเจาะลึกโอ้โหใช่ใช่ใชนะเราซื้อมือถือหนึ่งไม่ดีมือถือทารักษาดีๆใหญ่ให้มันตกนี่ใช้ได้นานแค่ไหน ประมาณสี่ห้าปีจริงๆแล้วถ้าคนติดรุ่นใน่แค่ปีเดียวนะเดี๋ยวมันตกรุ่นนะมันแพ้เขานะแต่ถ้าเราใช้อันสี่ห้าปีมือถืออันหนึ่งราคาประมาณเท่าไหร่ฮะอะไรนะเออสามสี่พันขึ้นไปเป็นหมืน่นบางที่หมืน่นสองหมืน่นสามหมืน่นใช่ไหมเท่าไหร่ลูกเอาตัวกลางๆตัวกลางๆ Huh? 2,000-3,000 ไม่ใช้ทั่วไป พ, พ, พี่แบมดีกว่าเด็กในเมืองไ h o n e ตัว น, นี้เท่าไหร่ห้า0มืนกว่า <c oughs> ดึงมาพบกันครึ่งทางสองห0น้าน้มือถือราคาสองห0ถูกกว่ากาแฟตกใจไหมกาแฟถ้วยหนึ่งเท่าไหร่ น, น้ำไม้ขายแก้วหนึ่งเท่าไหร่ฮะเออสี่0บหาใช่ไหมแล้วทำไมแพงกว่ามือถือกาแฟกินวันหนึ่งสองแก้วห้าปีเท่าไหร่ยิ่งยุโรปนล่กินเช้าสายบ่ายเย็นเลยนะมันเป็นน้ำเลยละ่ะธุรกิจกาแฟที่เรามองข้ามเนี่ยมันเป็นเบอร์สองของโลกเลยละ่ะเนี่ยเรื่องอาหาร เห็นไไก่ทอดเฉยๆเนี่ยเคนทักกี้มีแต่เอาไก่มาชุบแป้งทอดมันขายทั่วโลกได้ยังไงอย่ามองข้ามนะไอเนียเป็นธุรกิจที่น่าสนใจลูกแต่เราต้องไปทำงานก่อนเห็นไหมเราต้องเรียนปวชฝึกฝนเบสิกพื้นฐานจับมีดเป็นจับกระทะเป็นอะไรๆก่อนเมื่อับสุญย่อปวสปวสนะเรียนต่อ เรียนเบสิกพื้นฐานอะไรเนี่ยแล้วเราก็เรียนจากภาคปฏิบัติเราเรียนกับเขาเนี่ยเรามีประสบการณ์แล้วเราจะเปิดเป็นเท่าแก่น้อยก็ได้เข้าใจว่าหรือจะใจเต้าในตำแหน่งหน้าที่การงานเราก็ได้ไม่ตันเราไปขี้เหื่อไปเรียนวิชานั้นวิชานี้อะไรเนี่ยนะเออแล้วไปเสียเงินเรียนๆแพงๆในมหาวิเลยนี่นะเอาเป็นว่าพ่อครูเอาตัวนี้มาให้ดูแล้วพวกนี้ก็มีอีกนะดูแล้วโดยเฉพาะคุณครูเนี่ย ต้องลุกขึ้นนะไกดเป็นพี่เลี้ยงชี้ทางให้ลูกหลานเราต่อไปนะถ้าเป็นน้องคีน้องดอนสมัยก่อนเนี่ยนะเพราะคูมีตังค์แค่ไหนกระชัางเพราะกูจะให้เข้าโปรแกรมนี้คนไปเรียนอเมริกาเนี่ยไปทำงานนั้นนั่นแหละคนไปเรียนนอกเขากลับมาสำเร็จเพราะอะไรเขาไม่ต้องมาฝึกงานนะเขาทำงานเป็นแล้วบ้านเราเรียนปริญญาตรีต้องไปฝึกงานก่อนเนี่ย ไม่มีทางสู้เขาได้เมืองนอกทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยจบมาปุ๊บนี่ไม่ต้องไปฝึกงานทับดาันได้เลยเห็นไหมเนี่ยตอนนี้เมืองไทยมาช้าหน่อยหนึ่งอันนี้เมืองนอกเขาทามาตั้งแต่สามี่ปีก่อนอ่ตอนนี้เมืองไทยค่อยมาทำเพราะว่าวิกฤตเศรษฐกิจบีบให้เราต้องทำแบบนี้เรียนก็แพงน้องพลอยน้องหมวยเนี่ยสปี ห้าสนคนละห้าแสทั้งค่าที่พักที่อยู่ที่กินเห็นไหมคือคือพ่คุณคิดแล้วเนี่ยค่าอยู่ค่ากินเนี่ยค่าอยู่ยังไม่ได้คิดนะเอาเป็นว่าค่ากินประจาวันเนี่ยนะกับค่าเทอมเท่ากันเนาะปีหนึ่งประมาณห0 0มื6นห0 0มืนคือค่าค่ากิน เดือนนึงพค่าเทอมก็ประมาณห0 0 0 0ปีหนึ่งสองสปี4ี่สนการเริ่มต้นการเดินทางซื้อของใช้ก็เป็นห0 0 0 0 0ห0 0 0 0 0ไม่เป็นไรจบมาได้ทำงานเห็นหมมีเงินมาจ่ายหนี้ห0 0 0 0 0ถ้าคิดดอกต้นน่ะไม่มีทางคืนได้หมดนะคือ เสียเวลาสปีในมหาวิทยาลัยช้าเกินไปแล้วสำหรับคนยุคนี้เพราะค่าครองชีพก็สูงขึ้นนะธุรกิจมหาวิทยาลัยเป็นธุรกิจการศึกษาซื้อขายวิชาการเป็นภาระของพ่อแม่และเด็กไปเรียนด้วยไม่ใช่เขาผิดนะมันเน้นแข่งขันไงตอนนี้แข่งขันกันแต่ปหนึ่งจะเข้าปหนึ่งก็ต้องสอบนะปหถึงเข้ามหนึ่งต้องไปเรียนกวดวิชาอีก ลองไปคิดเงินพ่อแม่ที่ให้ไปค่าโรงเรียนค่ากินอยู่ค่าเรียนมาแล้วเนี่ยจนจบปริญญาตรีหนึ่งเงินกี่ล้านไปทำงานเท่าไหร่นะมาจ่ายดอกทบต้นไม่คุ้มตอนนี้มันมีโครงการโนนี้ดีแล้วเอาเป็นว่ามูลนิธิจะพยายามนะจะพยายามเดินต่อไปนะดูแลพวกเราจนจบปวชถ้าโรงเรียนวิยาัย อ, อาชีวะตอนนี้ ไม่ใช่เข้าเนื้อนะเข้ากระดูมันมันไม่มีอะไรนแน่แน่แล้วไม่ต้อว่าเปิดเปิดบังเอิญน่ยเปิดปุ๊บพอ ก, กูเจอโครงการนี้ว่าเราถูกต้องแล้วถ้าเราช่วยกันนะคุณกูเราจะเป็นอ e ีเทคอีสานได้ทําไมคนอ e ีสานต้องไปเรียนอ e ีเทคชนบุรีทําไมไมาเรียนที่นี่ยกตัวอย่างนะไอเรื่องความสามารถทางเทคโนโลยีอะไรไรเนี่ไม่มีเราก็ซื้อมามันไม่ต่างกันเยอะ แต่สิ่งที่ต่างกันเยอะถ้าพวกคูเป็นเจ้าของธุรกิจนะพวกคูจะเลือกคุณภาพคนตัวนี้สำคัญนะเด็กๆท่องทุกวันนะท่องแล้วทำาได้หนึ่งขยันสองประหยัดสซื่อสัตย์สี่กะตันญูหอดทนหมีวินยัยเจ็ดใฝ่เรียนรู้อันนี้คือวิชาที่สำคัญที่สุดนะจบไปแล้วเนี่ยองค์กรไหนก็อ้าแขนรับ แล้วก็เจอย่างนี้จัดปฏิติตัวไปตลอดเวลายิ่งทำยิ่งมากขึ้นเขายิ่งรักเราเขายิ่งเชื่อมั่นในตัวเรางานสำคัญสำคัญเขาก็ย่อมยอมมอบให้เราทำเก่งแต่โกงเนี่ยเขาไล่ให้ไปไกลๆเลยเขาไม่เอาเขาต้องอาการเอาคนซื่อสัตย์แลคนรับผิดชอบนะอันนี้พ่อคูก็บอกนะพวกเราก็เดินสู้ต่อไปโอเคนะไปทานข้าวกันลูก